ยินได้ฟังพระวานของพระพุทธเจ้าจะในที่เฉพาะพระภาคก็ตามหรือเป็นได้ฟังตามตำลับตาําราก็ตามมีความเชื่อตามหลักความจริงที่ประทานไว้นั้นต่างคนต่างพยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เป็นคนดีย่นับแต่นคนนี้ก็เป็นคนดี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 ทั้งกลางวันกลางคืนมีความรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาได้โดยไม่ต้องไปถามหานรกคุ้มไหนลูกไหนมันสร้างเสถี่หัวใจของคนแล้วก็ระบาดสากระจายไปทุกแห่งทุกหนเลยกลายเป็นไฟไปด้วยกันที่ทั้งหมดหน่นนี่เพราะความผิดทั้งนั้นไม่ใช่เพราะความถูกต้องดีงามถ้าเป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าแล้วเรื่องเหล่านี้จะไม่มีว่าลายผู้พากษาสา ร, สารดีกาสารอุทธรณสารอะไรเหล่านี้มันไม่มี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 ฟังกันเข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติกันหน้าอย่างรวดเร็วถ้าทีโลกมันไม่ได้เป็นไปตามใจหวังไปอยู่ในฐานที่ใดบนแต่ความทุกความร้อนเราสัมรัสษาวุ่นวายไปหมดทั้งแผ่นดินทั้งๆ ท, ที่ต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างหาความรู้แล้วความรู้นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเอามาเผาตัวเท่านั้นน่ะนี่เพราะความรู้ประเภทนี้เหล่านี้ไม่มีธรรมเข้าเพืออแฝงไม่มีธรรมเข้าเป็นเบรก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 รำพังเราประพฤติปฏิบัติตัวของเราให้เป็นคนดีแล้วอยู่ในสถานที่ใดเอียบทอะไรเราก็ยินนะความเย็นความพาสุกสบายเกิดขึ้นจากความถูกต้องหางการกระทาของตนเองความเย็นจึงมีขึ้นที่นี่มันมีขึ้นที่ใดแล้วคาว่าความถูกต้องความเย็นนั้นมีเป็นขั้นๆ้าพ ท, ทั่วไปก็ มีได้ทุกคนถ้าตั้งใจไปเพื่อปฏิบัติให้มีความร่มเย็นเป็นสุดโลกนี้ก็เป็นโลกผาสุขร่มเย็นน่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นเริงบันเทิงถ้ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นปูติจะปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญภายจิตใจยิ่งขึ้นกว่าภาคทั่ ว, วไปส่วนทั่วๆไปนี้ก็พยายามบำเพ็ญตน ให้ชันงดกดขันหรือขอยับตัวเข้าไปตามลำดับแห่งความมุ่งหวังของตนความสูงของปรากฏขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่งเช่นผู้สนใจทางทางจิตตภาวนานี่เป็นเรียกว่าถ้าว่าเป็นแนวรบเป็นการเข้าสู่สงครามก็เรียกว่าเป็นแนวหน้าทีเดียวจำพวกนี้จำพวกแนวหน้าความมุ่งหวังขนาดนั้นแล้วเราจะทำอดด่อนแอไม่ได้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 ต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องระมัดระวังรักษาที่ม้วดกวดขันที่ตลอดเวลากระจายของจิต ด, ด้วยความคิดคอมปุงก็ไม่ไปกว้านาอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเผาโดนๆให้รับความเดือดร้อนนี่ก็เย็นนี่เย็นขึ้นไปเป็นลลำดับดังนั้นบรรดาที่ลกสิตย์ลูกหาทั้งหลายได้มาอบรมใสถานที่นี้ก็เป็นเวลานานพอสมควร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 ของเราเราเราอยู่ในสถานที่ใดอิเดียบทใดมีความแค่งวดกวดขันมีการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ภายในจิตใจระมรัดระวังอยู่ด้วยควา ม, มาระมัดระวังเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่รมและบูชาสถาคตคือดูบูชาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาบทที่สองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต เห็นธรรมนี้เห็นยังไง ร, รู้ธรรมรู้ยังไงปฏิบัติธรรมเพื่อความเห็นธรรมปฏิบัติอย่างไรก็ดังที่เราปฏิบัติอย่างนี้อ่ะทางจิดตัดพอนาเป็นสาคัญนี่คือการปฏิบัติธรรมการเห็นธรรมก็จะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นสิ่งที่กีดที่ขวางอยู่ภายในตัเองเวลานี้ซึ่งเราถือว่ามันเป็นข้าศึกต่อเราได้แกสัจจะธรรมสองบทเบื้องต้นคือทุกหนึ่งสมุทัย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 ก็เริ่มมองเห็นท่านอยู่ทางโน้นเราอยู่ทางนี้เนี่ยสักิธาทาใกล้เข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าใกล้เข้าไปอนาคาใกล้เข้าไปโดยลแบบําดับถึงพระรหัสตะผลแล้วชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เนี่ยนะธรรมที่จะให้สําเร็จมรรคผลนั้นๆในทางภาคปฏิบัติก็อยู่กับเราด้วยกันทุกคนการที่เรายึดเราถือการพุทธปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าเราเดินตามตถาคต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 อยู่ที่ไหนล้วก็บําเพลนเพื่อความละความถอนย่อมจะละได้ถอนได้เพื่อการบำเพ็ญด้วยกันโดยไม่หมายถึงสถานที่นั่นสถานที่นี้เพราะสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติเพื่อการละกันถอนนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านหนึ่งทรงสัจงจ่งสอนสาวกไปเถิดพิสูจทั้งหลายเธอไปหาอยู่ในที่สงบส ง, บสงดเป็นผู้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 ตรงหน้าเราจถาคตถ้านั่งอยู่ด้วยความประมาทก็หาได้พบตถาคตไม่หาได้เห็นตถาคตไม่หาได้ฟั่วตถาคตไม่เราไม่ถือว่าการเข้ามาการออกไปท่านนี้เป็นการเข้าเฝ้าตถาคตและการออกไปจากตถาคตแต่เราถือถึงความเพลี่ยนจำคันต่างหากนะการต่อจิเลียดได้มากน้อยชื่อว่าเข้าเฝ้วเราโดยลําดับลาดับหรือชื่อว่าเราเห็นตถาคตไปโดยลํำดับลําดับนี่เป็นหลังใหญ่ที่พระเจ้าทรงสั่งสอนสาวกหว่าไปเถะนะิดนักสั่งสิ ไฮฮับประกอบความภาคเพียรเพื่อถอดถอนวิเลกซึ่งเป็นค่าตศึกอยู่ภานในจิตใจของพวกเธอให้หมดซึ่นไปเดิมหนักและพวกเธอทั้งหลายจะเห็นนถาโคตเองว่าอยู่ในสถานที่ใดนะั่นโดยไม่จําเป็นจะต้องมามองดูสถาโคตนี้ว่าเป็นนถาคตขอให้ถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าตศึกต่อจิตใจของพวกเธอทั้งหลายให้ได้จนกระทั่งหมดโดยชิงเชิงนี่เธอทั้งหลายจะเห็นนถาโคตอันแท้จริงซึ่งเป็นธรรมบของพวกเธอแท้อยู่ภายในใจของพวกเธอนั่นแหลแล้วนํา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 สิ่งที่ที่มันเกิดความหาความสุขไม่ได้หรือมีความสุขไม่สมบูรณ์ก็เพราะมีสิ่งจิตขวางที่ให้เกิดความสุขอันสมบูรณ์อยู่ภายในจิตใจของเราขณะแจกที่เลสไม่ใช่ไม่ใช่ได้แต่อะไรนะมีที่เลสท่องนั้นที่เป็นเครื่องจิตขวางเสียบแทงจิตใจของสัตว์โลกอยู่ถึงมาเห็นความสุขอันสมบูรณ์การทุกการนําความทุกความลําบากทั้งภายในภายนอกส่วนมากขึ้นจากทีเลสไม่ใช่เรื่องอื่นเช่น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 ห้ามพ้นอันนี้ไปไม่ได้เมื่อมีท่ามีขันก็เที่อว่ามีสมมุติก็ต้องอยู่ใต้กฎธรรมชาติใต้ใต้กฎหลักธรรมดาต้องมีความแปรสภาพไปธรรมดาแต่ายนั้นไม่มีความหมั่นไหวย่ ร, รู้เท่าทันกับจิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วโดยรอบรอบไม่มีอะไรที่จะโว้ภายในจิตใจแต่พวกเราไม่เป็นเช่นนั้นมาทุกเกิดขึ้นภายในร่างกายมากน้อย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 ซึ่งก็เป็นเรื่องของกิเลสผลักออกมาอีกเช่นเดียวกันแล้วเรื่องของกิเลสช่วยกิเลสมันจะเป็นอาจเป็นธรรมขึ้นมาได้ยังไงนอกจากมันจะเป็นกิเลสทั้งตัวของมันแล้วเพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับเท่านั้นจึงต้องทุ่มเทสติ ก, กําลังกับปัญญาศรัทธาความเพียรของเราลงให้ทันกับเหตุการณ์ที่มันเป็นอยู่ภายในจิตใจของเราเรียนธาตเรียนขันจบประเสริฐเรียนอะไรจบ ก็ยังไม่พอกับความต้องการยังมีความหิวของโหยเป็นธรรมดาถ้าเรียนธาตุเรียนขันเรียนจิตใจจบไม่มีความหิวโหวยพอตัวอย่างเต็มที่ประจักษ์กับปิตใจเวลานี้เรายังบกพ้่องในวิชาขันภาคปฏิบัติในขันวิชาคือความรู้แจ้งแทงทะลุในธาตุในขันนี้ว่าเขาเป็นอะไรบ้าง และควรจะแยกแยกกันให้เห็นตามความจริงอย่างไรบ้างอะไรจริงอะไรปลอมเราเรียนยังไม่ตกเราเรียนยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นมันจึงวกจึงวนจึงวุ่นจึงวายอยู่ภายในธาตุในขันในกิจในใจนี้เท่านั้นสถานที่วุ่นวายไม่วุ่นที่ไหนวุ่นที่ธาตุที่ขันที่กิจที่ใจซึ่งเกิดเรื่องเยรากันชำระยังไม่เสร็จไม่สิ้นนี่แหละเพราะฉะนั้นการเรียนที่นี่จึงเป็นการชำระคดีซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันอยู่มีปัญญาเป็นผู้ยพักษาเครื่องตัดสินไปโดยลำดับลาดับ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 กลินลดเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกร่างกายของเรารายงานเข้าไปสู่ใจเป็นความรับทราบในขณะที่กิ่นนั้นสัมผัสตามขนะของหมัดแล้วดับไปตามสิ่งนั้นที่ผ่านไปมีท่านเรียกว่าวิญญาณนี่เป็นวิญญาณในขันห้าวิญญาณในขันห้ากับปฏิจน ท, ทิวิญญาณนั้นต่างกันปฏิจจ ท, ทิวิญญาณนั้นหมายถึงมโนหรือหมายถึงจิตโดยตรง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 คือขันห้าเรียนขันห้าเรียนทบทวนให้เป็นที่เข้าใจอันใดที่ยังไม่เข้าใจเรียน ห, หลายตลบทบทวนคุยเคียวขุดค้นกันอยู่เป็นจนเป็นที่เข้าใจนี่สถานที่ทํางานของผู้ที่จะรู้จิเลตัญหาสะวะออกจากจิตใจที่เรียกว่าลื้อถอนวัตฏะวนคือความหมุนเวียนแห่งจิตที่ไปเกิดในกําเนิดต่างๆไปเที่จับจองป่าช้าม่มีสิ้นสุด ทั้งๆที่แม่ตายไปจับจองไว้แล้วก็เพราะเหตุอย่างความหลงในขันความไม่รู้เรื่องของขันจึงต้องปทิหาดิษขัน ท, ทั่งที่ขันนี้ยังอยู่ก็ยังไม่พอยังไปยึดไปหลงไปอีกเรื่อยๆไม่มีความสิสนสุดถ้าแม่ปัญญาเข้าไปพิสูจน์พิจารณาจะมาทั้งตัดได้อันนี้ให้เรียนเรื่องขันรูปประขันก็คือตัวสัจธรรมก็ตัวอ่าสติปัฏฐานสี่ว่าอะไรเหมือนกันหมด มันเป็นวายพลดของการาการรมใช้แทนกันได้รับพิจารณาเนะอาการใดอาการหนึ่งก็ถูกเรื่องของสัจธรรมถือถูกถูกเรื่องของสติปัฏฐานสี่ปกติไม่มีโรคภยัยไขเจ็บเกิดขึ้นกายก็เป็นกายอยู่อย่างนี้และเวลาโรคภัยไขเจ็บเกิดขึ้นกายก็เป็นกายรูปก็เป็นรูปอยู่เช่นนี้เอง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 แต่อย่างลี้ลับ ก, ก็มีแต่อย่างเปิดเผยก็มีแปรอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนทุกทยะทุกวินาทีหรือหรือบาวินาทีมันก็ยังห่างไปทุกขณะไปเลยทุกเวลาไปเลยมันแปรขงมันอย่างนั้นแปรเรื่อยๆนี่ความแปรเรื่องความทุกข์ก็แสดงตัวอยู่เรื่อยๆไม่เคยหยุดเคยนิ่งนอนเลยคนเรายังมีการหลับการนอนการพักผ่อนให้สบาย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 อย่างรนั้นจะไปสอนไม่ได้เวลานั้นนีเ่เวลาเราเข้าสู่สงครามคึกตาจนพั น, นท่าเนี่ขันจะพ้ออย่างยิ่งเวลาจะแตกจะสลายนี่มันก็เหมือนกับ อ, อีแรงอีกาที่มาจับต้นไม้เวลามาจับก็เสียก็ไม่ค่อยกระเทือนอะไรมากนะแต่เวลามันจะไปบางทีเขย่ากิ่งมันไวหวหมดทั้งกิ่งบางทีหากกิ่งมันตายนี่พื้นแม่ น, น, ำน้ำหนามันคงหักไปก็มีนะ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 าติปัญญาย่างลงไปถ้าเห็นความทุกข์ความร้อนอันนั้นประจักด้วยปัญญาแล้วร้อนดูจิตใจของเรามันแดงโลดอย่างนั้นไหมมันร้อนอย่างนั้นไหมหรือมันร้อนตั้งแต่ธาตุแต่ขันถ้าเป็นผู้มีปัญญาเราได้พิจารณาทางด้านปัญญาอยู่โดยเสมเเมเสมอชนี้แล้วใจเราจะไม่ร้อนใจเราจะเย็นจะสบายอยู่นท่ามกลางแห่งความเพลงคือขันที่กาลังลุกโพล ง, ง, งอยู่ด้วยความทุกข์นั่นแหละ ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้นี่คือว่าเราช่วยตัวเราเองพิจารณาอย่างนี้เราไม่ต้องไปคิดหวังพึ่งใครในขณะนั้นเรียกว่าเข้าขึ้นบนเวทีเมื่อจะตั้งนาสู้กันนะต้องสู้ให้ถึงให้ถึงผลเต็ ม, เ ม, เ, ตมเม็ดเต็มหน่วยเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายใครจะหาตรงเวทีไม่หาไม่สําคัญสู้จนเต็มกําลังก่อนสมาธิของเราด้วยปัญญาของเรานั่นเอย่าสู้เอาเฉยแบบทนเอาเฉยก็ไม่ใช่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 ความเป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะได้ชัยชนะไม่มีอย่างอื่นที่จะได้ความเด่นความดิบความดีความสงาา่าผ่าเผยความองอาจกระหารขึ้นพละปิตใจเราพิจารณาอย่างนี้สมมติว่าเราอยู่ในบ้านปราศจากครูปราศจากอาจารย์ครูอาจารย์ได้สอนไว้อย่างไรปราศจากที่ไหนท่านสอนไว้อย่างไรนั่นแหลคือองค์ท่านนั่นและคือองค์ปตถาคฉทนั่นและคือองค์พระธรรม เราอยู่กับพระ ธ, ธรรมเราอยู่กับพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาโดยพระอาวาธนำมาเพื่อปฏิบัติก็ร่ำเร้าตั้งแต่เรื่องของท่านทั้งนั้นเราไม่ได้ปรัชญ า, าครูปรัชญอาจารย์เราหนีมีเราอยู่ด้วยความมีที่พึ่งคือมีสติมีปัญญาไม่จะท่าความเพียนลบฟันหันแหลกกันกับสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่เช่นนี้แต่ว่าเราปรัชญ า, าครูได้ยังไงเราอยู่กับครูแล้วก็รู้ก็ต้องรู้แบบนี้ครู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 มีกิจเท่านั้นจะเป็นผู้รับพุทธธรรมสงฆ์ได้หรือทำทั้งทั้งดวงได้มีกิจเท่านั้นผู้ที่จะอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ได้มีกิจไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่อะไรทั้งหมดกายมันไม่รู้เรื่องมันจะไปรู้เรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ได้ไงเวทนามันก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยจว่าไงสัญญาเพียงจํำมาให้แล้วหายเงียบไปสัญญาสังขาตรตึงขึ้นแล้วหายเนียบไปมันเป็นสาระอะไรที่จะพอรับพระพุทธเจ้าไว้ภายในตนเนี่ย ผู้ที่รับว่าจริงๆผู้ที่เข้าใจเรื่องพรุทธเจ้าจริงๆและผู้ที่จะเป็นพุทธะอันแท้จริงก็คือจิตนี้เท่า น, านั้นฉนั้นจะให้พิจารณาจิให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยท้อถอยอ่อนแออย่างไรเราทุกคนต้องก้าวเข้าสู่สงครามที่เป็นเรื่องใครช่วยไม่ได้ด้วยกันทุกคนนอกจากเราจะช่วยตัวเอง และแน่ที่สุดว่าเราจะต้องช่วยตัวเองทุกคนถึงข่าวจำเป็นมาไม่มีใครช่วยได้พ่อก็พ่อแม่ก็แม่ลูกก็ตามสามีก็ตามพัญญาก็ตามเป็นแต่เพียงว่าดูอยู่เฉยๆถึงวาละแนวจะช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ความทรมานให้พ้นจากสิ่งพวกพันทั้งหลายนั้นนอกจากปัญญาและสติหรือความเปลียงเราแล้วไม่มีนั้นเราจึงต้อง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 การแสดงธรรมก็เห็นสมวรอจิตงท่าน